มานัตตะจาริกะมูลายปฏิกัตศาสนาว่าด้วยการชักภิกษุผู้ประพฤติมานัตเข้าหาอาบัติเดิมท่านพระอุทายีนั้นกำลังประพฤติมานัตต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตานิกาสุกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้บอกแกภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลาย